เทศอบรมพระเมื่อวันที่8เดือนกุมภาพันธ์พศ2521นี่เผ็ดร้อนกระตุกใจดีมากปลุกใจดีมากจนจบงานทางโลกกับงานทางธรรมนั้นต่างกันงานของพระคือการภาวนามีเกษาโลมาเป็นต้นที่ทำงานคือป่าเขาถ้ำเงื้อมผา พระครั้งพุทธการเป็นพระจริงๆพระพวกเรามันเป็นพระกาฝากเสียเป็นส่วนมากโกรธง่ายทิฐิสูงก็คือพระกาฝากพวกนี้แลพระอรหันต์ไม่มีเวทนาทางใจไม่เสวยเวทนาทางใจความขี้เกียจอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสไม่เช่เรื่องของธรรมพวกเราเป็นพระหัวแตก กูกิเลตีเอาตีเอากิเลตไม่หัวแตกบ้างเลยเทศถึงที่สุดฟังอัดได้ทั่วไปพระประธานแก่บรรดาประสง์สาวานิพนานให้ทราบเรื่อง งานของทางศาสนางานทางศาสนากับงานทางรูปต่างกันเรามาบวชในพะระพุทธศาสนาก็เท่ากับเรามาสมัครงานทำงานในทางพระพุทธศาสนาสถานที่ทำงานพระพุทธเจ้าก็ ทรงที่บอกไปเรียบร้อยวิธีการทำ ง, งานหลักวิชาในการทำ ง, งานพระพุทธเจา้าสั่งสอนไม่หมดไม่มีความบกพร่องหลักวิชาการทำ ง, งานก็เด้่ยเกิดการกระทนพระโอวาท แ่งต่ตางๆเพื่อให้รู้วิธีการของการกระทำของตนในขณะเดียวกันก็เป็นภาพปฏิบัติอยู่ในขณะที่สนับฟังพระโอวาทของพระพุทธเจา้าการฟังธรรมจากพระโู์ของพระองค์นั้นเป็นการถ่ายทอดออกมาจาก โรงงานที่บริสุทธิ์ได้แก่พระองค์ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วด้วยความบริสุทธิ์และถ่ายเทธรรมออกมาจากความบริสุทธิ์จึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแน่นย่างเรียกว่าสวดคาตธรรมพระองค์ตรัสเองตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมในหลักวิชาวิธีการปฏิบัติอะไร คนสั่งสอนนู่นผู้เข้ามาสมัครงานก็ได้ปฎิญญาณตนเพื่อจะทำงานถืออะไรเป็นหลักขึ้นเบืองต้นกับพุทธทางธรรมังสังคัรสันนิบาตามก่อนบรรพชาผูส ม, มุิถพาได้ปริญญาณตนต่อพระสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยยติจตุถธกรรม ในการทรงอนุญาตครั้งสุดท้ายแล้วพระประชาย ะ, ะหมายถึงรพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์ประธานก่อนอประธานพระโอวาทหลักพิชาอันสำคัญให้แก่บรรดาผู้มาสมั ง, งานด้วยความเป็นภิสูจนั่นอย่างไรบ้างเรางต้นท่านสอนเยาะเยาไว้ก่อน นาเกซาลูมานักหาดันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลนโจ ต, ตะตะโจดันตาหนักห้ า, าลมาเกซานี่เรียกว่าปฏิโลคือถอยกลับนย้อนหน้าย้อนหลังทําไมท่านจึงสอนอย่างนั้นนี่แ่ะเรื่องของงานท่านท่านสอนเรื่งงานให้ทําอย่างไร สถานที่ทำงานภายในตัวเองเรียกว่างานในครอบครัวก็ได้แก่การพิจารณาเี่สารุมานาาักาทันตาตะโจูเป็นต้นจนกระทั่งพิาา ร, รุษสองนี้เรียกว่างานในครอบครัวงานในบ้านที่ในงานนอกบ้านท่านทรงสั่งสอนรมรรลุขมูลฤเซนาสนางังเอตซาตัดประชาตัทตทะเตยาวัชีบางมุซาโฮกันในอย มันประชาวสมบทแล้วให้หาอยู่ตามยุอมูลลมไม้ชายป่าชายเขาตามถ่ำเงื้อมผาซอกหมย่ยที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้เป็นที่สงบวิเวกในการประกอบงานของผลซึ่งมีอยู่กับตัวดังที่ท่านประทานได้แด้ว่าปีสาลูมาเป็นต้น นี่เป็นงานไปที่ไหนต้องทำงานชิ้นนี้แต่ไม่ใช่งานเล็กน้อยพอที่จะทำด้วยความประมาทผุดพลาดซับเท่ามักง่ายต้องทำอย่างจริงจังนพระองค์ท่านสอนทั้งสถานที่ทำงานว่าที่ใดเป็นที่หมก แล้งานของพระก็คืองานเดินตรงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นงานของพระแท้เป็นงานเพื่อจ ะ, สะแสวงหาสมกับความสแสวงหาความสุขจริงๆงานนี้เป็นงานเพื่อความสุขคืองานรื้อถอนทุกที่เป็นสาเหตุมาจากสมุทัยที่ความรุ่มหลงเพื่อจะให้เป็นความรู้ความฉลาดขึ้นมาด้วยมรรค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 เป็นงานสำคัญจนลุมเนือ้อรุมตัวไปด้วยงานนั้นๆที่นอกไปจากงานอันจำเป็นได้แต่งานกรรมฐารงานนี้เมื่อทำสำเร็จแล้วมีความสุขอย่างไพยบูรพระพุทธเทจ้าก็ทรงทำงานนี้สำเร็จโดยเจนอนาตานสติ ก็เรื่องของการตามพระจริตของพระองค์ที่ถูกต้องในทางนั้นทางนั้นมาก็สอนกรรมฐานสี่สิบอย่างเพื่อจะดีนิสัยของแต่ละรายละลา ย, ยนี่มมันยังกันทำไมกัดทั้งคำวันคือเหนือทุกวันก็เห็นมีนี่มันยันไงกันว่า เลยมาทำลายทางแสดงธรรมไปแล้วแหละย้ำตรงให้ทราบว่างานของจำเป็นของท่านั่นคืองานคืออะไรอย่าลืมตัวอย่าลืมงาน ลืมตัวแล้วก็ลืมงานทําไมท่านถึงสอนให้พิจารณาร่างกายร่างกายนี้เป็นจุดแรกแห่งความกังวลแห่งความรับผิดชอบแห่งความยึดถือยึดถือสมบัติเงินทองข้อของต่างๆนั้นยังเป็นภายนอกกายกายนี้ยึดถือจนถึงกับว่าเป็นตนไปเลยน่ะเป็นเราเป็นของเราเป็นหมดทั้งร่าง เไม่ได้คิดว่าใจเป็นอย่างหนึ่งกายเป็นอย่างหนึ่งซึ่งพอที่จะแยกแยะอันได้เลยสามันชนเราทั่วไปเป็นอย่างนั้นเว่าร่างกายทุกส่วนนี้เป็นเราเพราะฉะนั้นจึงต้องสอนลงตรงนี้ที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นรากเป็นแก่นสําคัญของกิเลสตัณหาอวิชชาท่านจึงสอนที่นี่ให้รู้ที่นี่ การสอนเอารวมปฏิรวมก็เพราะการสอนซ้า ๆ, ๆการให้พิจารณาซ้ําๆซักๆด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลําดับเพื่อเข้าใจชัดเมื่อเข้าใจชัดก็ค่อยเบาลงไปโดยลํำดับอุปทานค่อยเบาลงไปรู้ได้เห็นได้อย่างชัดเจนอุปทาน ที่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ก็หมดเอ อ, เ, อเห็นเด่นหลัไม่ได้เลื่องหรือว่าวันนี้มันมาเกิดเป็นเ ห, นเเหนตุเตะกระแตตัวนี้ข้างบุทธก า, ารท่านท่านสอนจริงจังพระกดกดจริงจังทั้งนั้น ไม่ไม่ไ ม, มีพระกาฝากแบบสมัยทุกวันนี้ทุกวันมันมีแตะกาฝากนะอืมแอบอยู่ในศาสนานี่แหละบวชเข้ามาเพื่อจะละความโลภเลยกลายเป็นเรื่องสั่งสมความโลกขึ้นในวงศาสนากงกันข้ามมันกลายเป็นข้าศึกต่อศาสนาธรรมไปเมื่อเป็นที่นั่นจะไม่เรี่ยบรักเข้ามาทําลายศาสนาธรรมได้อย่างไร โลดก็โกรง่ายท่านสอนในนั้นความโลภความโกรธความหลงแล้วท่านรู้สึกจะสังสมทังอันนี้มากอย่างลึกลัอืแลว้วมาเป็นค่าศึกต่อศาสนาอยู่นั่นเองน อ, นอกจากเป็นค่าศึกต่อเพศทั้งปุนแล้วยังเป็นค่าศึกต่อศาสนาอยู่ โดยที่เจ้าตัวจะสนใจหรือไม่นสนใจไม่รู้แต่ความจริงเป็นอย่างนั้นพร้อมไม่ให้โลกให้ละให้ละแล้วยิ่งสังสมขึ้นมามันก็โลกเลยมันถึงสังสมโกรธครว่าให้ไม่ได้พระคิดิสูงก็คือพระนี่ถ้าไม่ใช่พระตั้งใจปฏิบัติธรรมละจิตใจทั้ตงตนเป็นอย่างนั้น แตะต้องไม่ได้ยึดถือผอานสูงกิดฟ้านอาภพมุ่งต่อจะทำแล้วได้ทั้งนั้นใครจะตำหนิก็ได้ใครจะชมก็ได้ท่านจะเลงถึงหลักเหตุผลและให้อภัยเสมอด้วยเหมือน ท, ทราทำพรพุทธเจ้าสอนมื่ อ, อย่างนั้นจริงๆอือเดี๋ยวเดินตามหลักอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันกล้า็นกล้าฝาาไปหมดแล้ว ใช้ศาสนาทําตัวเป็นกาฝากสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเทวทัตอยู่ภายในศาสนานะการสร้างก็ไม่สร้างตามหลักธรรมคืฏยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างความรู้ความคิดไม่เป็นไปตามหลักตามหลักธรรมนี่เราสร้างเนื้อสร้างตัวในทางพิจิตรอยู่ในวงศาสนา ก, ก็เช่นเดียวกับกาฝาก <c oughs> มันอาศัยต้นที่มันเกาะอยู่นั่นแหะเป็นอาหาร และเป็นดอกเป็นใบของมันเป็นผลของมันเองแล้วก็ดูดต้นไม้ต้นนั้นจนตายนี่ทำศาสนาให้เศ้ามองให้เสียาหายร่มจมไปได้พราะความเป็นกาฝากของพุทธบริษัทจะก้ออย่างยิ่งของพระัน่นเราคำนึงเสมออย่างนี้ หาอะไรก็ต้องเจอนั้นว่าไงเพราะอยู่กับคําว่าหาแสดงหาอะไรมันก็เห็นอันนั้นมีอันนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกเสาะคิดไปเรื่องความโลภมันก็เกิดความโลภขึ้นมาคิดไปทางให้โกรธมันก็โกรธขึ้นมาคิดไปทางให้หลงมันก็หลงขึ้นมาผลก็คือความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นคิดละความโลภทําไมจะละไม่ได้ ละความโกรธละความหลงเป็นความคิดชอบธรรมาคิดถิ่ความเห็นชอบธรรมะจะละไม่ได้เพระพุทธเจ้าทรงละมาแล้วสาวกทั้งหลายทรงรับมาแล้วด้วยอํานาจแห่งธรรมนี้ทรั้งนั้นทำไมพวกเรามาปฏิบัติจึงไม่ได้ผลและไม่มีปรากฏผลขึ้นมาบ้างมีหรือเป่ความรู้ความเห็นความประพฤติ เปลียนเกลียวกับหลักทำแล้วมันก็มีแต่เรื่องที่เละเทะนั่นเองทั้งเป็นเหตุเป็นผลของมันขึ้นมาภายในกายวาจาใจของเราผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ไหนเคยได้ยินไหมว่ามรรคผลนิพพานอยู่ต้นไม้ต้นนั้นอยู่ในเขาลูกนี้รูปอยู่ในน้านําอยู่ในก้นบ่อหรือยในท้องมหาสมุทรอยู่ในท่อ า, ทอนนทาอากาศไม่มี เพราะสิ่ง น, นั้นไม่ใช่ผู้ที่จะทรงความดีความชั่วทรงความสุขความทุกข์ไว้ได้เหมือนสัต์แล่มนุษย์เนาะเฉพาะยังนี้สัตว์มนุษย์ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างสัจธรรมมีอยู่ที่นี่สัจธรรมคืออะไรทรุกแน่ก็ย อ, อยู่ที่กายใจของพวกเรานี่สมุทัย ความคิดในทางที่ผิดอันเป็นการสังสมทกิเลสขึ้นมาเรียกว่าความคิดในแง่กิเลสเนี่ยก็มีอยู่ที่นี่นิโรธคือความดับทุกข์ด้วยอานาจของมรรคมีสมาธิผิดเป็นต้นสมาธสมาธิเป็นที่หมดเออเป็นที่สุดก็อยู่ที่นี่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นใดแต่การสอบสังหาที่เหมาะสมนั้นหรอประกอบความภาพความความภาพเพียรนี้เป็นความถูกต้องมีงาม แต่จะไปที่ไหนก็ไม่ให้ลืมงานที่ตนทำมาทำลงที่จุดใดอันนี้เรียกว่ากรรมฐานกรรมแปลว่าการกระทำฐานน่าให้ทำลงที่นี่นี่ฐานที่ตั้งแห่งการงานด้วยความชอบธรรมของพระผู้ต้องการความหลุดพ้นจากทุกข์ให้พึงทำลงที่จุดนี้นี่เป็นฐานเป็นที่ตั้งอันเหมาะสมแล้ว่การเวทนาจิตธรรมสติประฐานฟ mm hmm. ังสิ กายกายานุปัฒนานสี่ปฐมานุปัฏานสี่ปิตานุปัฒนานสี่ปฐมทำงานตตา น, าานุนนปัฏนานสีน่ปฐมอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหน <c oughs> ดังเกินกว่าที่เราจะสู้มันได้ตึงตังตึงตังก็รู้ภาษาอะไรไรมันไม่ได้มาเจตนาแล้วกับเราภาเอ่จะแก้ความโง่ของเรานั่นแหละควาโง่มันอยู่หัวใจแหละที่เรือแต่งฉลาดแต่เราทําเราให้โง่เนี่ยไม่ใช่เกลีมันโง่นะโง่แล้วมันจะบนหัวใจสัตว์โลกทั่ว โลกธาตุอันนี้พิเรนมันโง่มันจะได้อยู่บนหัวใจคนเหรออ่กิเลนมันฉลาดแต่มันทําเราให้งโง่นนง่ายเป็นงนั่นเหมือนคนฉลาดเอาละตะเปรียบคนโง่นั่นเองพิเลนมันฉลาดมันรอาละตเปียบแรบเราตลอดเวลาเรเดินไปกรมนองสมาธิภาวนาหาอุบาลกระซิบกระซา ให้เกิดความท้อถอยอ่อนแ อ, อก็ดูแข็งแข็งมันก็อ่อนเป็นเหมือนเนื้อเหมือนหนังอความกระซิบกระซาบความกล่อมของกิเลตมีกล่อมไม่อย่างเสนิทก็เคยกล่อมโลกมานานโลกใครจะว่าใครฉลาดเมืม่อหยกดการน่าของจิเลตแล้วโง่กันทั้งนั้นตามส่วนออกจากปูนเหนือจิเลตไปแล้วนั้นจะเรียกว่าผู้ฉลาด ถึงไม่ฉลาดทำงานการอย่างอื่นจะตามจะฉลาดถอนตนออกเป็นอิสระหน้จากอำนาจพิเดที่เคยกดขี่มานานแล้วก็ได้บรมมาสุขมาครองหัวใจดังพระโพธิจารั์าษาวุท่านนก็นั้นนั่นท่านฉลาดจริงอันที่เรียกว่าจอมปราศก็อจอมปราศอย่างนั้นแล้วทำเหล่านี้ออกมาจากจอมปราศสอนพวกเราให้ฉลาดธรรมดึงโง่ เราไม่แกเเ้เราแล้ไม่ถอดถอนเราเราจให้ใครถอดถอนาศาสนาเป็นของทุกคนพระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วใครอยากเข้ามาปฏิบัติให้เป็นความสุขความพเพลิดเพลิตนก็น้องเข้ามาสุู่ตนาศนาสนธรรมก็เป็นสมบัติของผู้นั้นตลอดถึงผลที่เกิดขึ้นจากกา ร, รกปฏิบัติก็เป็นสมบัติของตนนี่ พระองค์ไม่ได้มาแบ่งสั้นัางส่ว น, นเราจากพวกเราแม้แต่น้อยสมบูรณ์เต็มที่แล้วขอให้เราทำใจดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทานไม่สงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานเพราะไม่อยู่ในสถานที่ใดสิ่งที่กีดกันมรรคผลนิพพานก็คือเรื่องของทุกกับสมุทัย อันเป็นสัจยธรรมไฟ่ผูกมัดอย่างที่จะบุกเบิกทางเกียนโล่งไปเพื่อถึงมรรคผลนิพพานก็คือมรรคเนี่ยมรรคเนี่ยคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาักกสากกางกรปรโองค์ปัญญาคือความฉลาดเป็นผู้นำหน้าที่การงานทั้งหลายเป็นทางวาจาทางกายความประพฤต ก็เถึงความคิดอ่านอะไรก็ต้องมีปัญญามีสติเป็นเครื่องปกครองหรือควบคุมอยู่เสมอสัมมากัมมันตะของพระก็คือการเดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนามีเดียวสัมมากัมมันตะการงานชอบชอบยิ่งชอบเพื่อถอดถอนที่เลสอาสวะ งานของภาพมีแต่งานถอดถอนสิ่งที่เป็นก้าวสิทต่อใจออกทั้งนั้นไม่ได้มีงานใดเนี่ยใดยแห่งธรรมที่สอนและให้ทําเพื่อการต่งสมบูริยในมักแปดนี้นี่เราสอนเพื่อถอดเพื่อถอนทั้งนั้นสัมมาการมันตะดํามิเนี่ยเพียงดํามิก็ให้ชอบเหยียบเบียนตนและผู้อื่น ลำดิตเพื่อจะออกจากเครื่องผูกพันคนี้อย่างนั้นธรรมมาวาจาเขากราวชอบกราวชอบหลักของการกราวชอบก็มีสิทประการอันนี้เรียกว่าสันเลยกระทําแต่ว่าการพูดการลบถึงเรื่องการขัดการพิเลชิการแก้ไขผดผ่อนพิเลกเนชิก็มีอภิษตาขึ้นตนตเป็นภูิมากน้อย สันโดดลองลงมาก็ยินดีตามสิ่งที่เกิดที่มขึ้นในตุปปัจจัยพยาธามากน้อยเกิดขึยินดีเท่าที่มีเท่านั้นส่วนอภิชาตานะั้นมากน้อยแม้จะมีมากเพียงไรก็เอาแค่น้อยๆเท่านั้นเดียเหมือนคำนกที่มีแต่ปีกกระหางเท่านั้นไปกินต้นไม้ต้นไทที่ไหนผลไม้ที่ไหนอืิเมพาแล้วมันไป ไม่ได้หาบได้หามไปไปแต่ตัวนํามากรรมันตะเดินรงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำการงานชอบชอบในที่อะไรบ้างมันก็มีว่าสมมาวาจากล่าวชอบ ที่อธิบายกับสกุลอภิธาตาสันโดษอธธสังขคณิกาไม่คุกคือกระหมูกับคณะกับใครต่อใครเจิเกินเหตุเกินผลเฉพาะอย่างยิ่งไม่คุกขีมีความสงัดมีตนเป็นตนคนเดียวเอกโกะวะมีตนเท่านั้น สังคณิกาไม่พูกขือวิเวกตาชอบสงัดวิเวศ ส, สถานที่ใดเป็นที่สงัดมันจะเจะแสวงาหาอยู่ในสถานที่นั้นวิริยลำพาความเพียรให้สืบต่อเนื่องกันอยู่เสมอสติจะได้มีกำลังและจิตจะได้มีความสงบไม่ถูกกิเลสความฟุ้งซ่านลำคาญ เหยียบยาำทำลายเสียทั้งวันทั้งคืนเดินโดยนั่งนอนต้องอาศัยวิญญาณ่ า, าสีนเนี่ยึงที่งสีนะมัดระวังความเคลื่อนไหวของตนอย่าให้เลยตำนตนหนิตนน่าสมาธิทรจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นจนเป็นฐานของจิตที่ความแน่นหนา ม, มันคงขึ้นมาภายในตัวปัญญาพยายามคิดอ่านใจตรอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับตนกัวิมุตต์เนี่ยมีความหลุดพ้นวิมุตติยาศาสนะความดูแจ้งชัดในความหลุดพ้นของตนมีสันเดย์ธรรมสิทธิปตะเป็นที่หลักของการพูดสัมมาวาจาการชอบอย่างนี้นะมันมีการถึงเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสียการนารกของสารเรื่องของพระไม่เกี่ยว นี่เป็นคำเป็นเป็นงานของพระื่พูดชอบองนีง้สมาชีวเลี้ยงชีพชอบส่วนภายนอกก็ได้จกบินยาโลบุโคชนังจะบินสบาทด้วยกำลังปีแช่งของตนมาเลี้ยงชีพนี่คืองานอันชอบของพระส่วนร่างกาย ที่ส่วนจิตใจยอย่านําอารมณ์ที่เป็นภัยต่อจิตใจเข้ามาจะเป็นพิษต่อใจให้นำธรรมคือสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบมีความใสระหว่างขาจารเรื่องด้วยอํานาจแห่งธรรมคือสติปัญญามีความเปรียนเป็นเครื่องหมุนหลังหล่อเลี้ยงที่เสมอนี่เรียกว่าเลี้ยงขี้ชอบนะ แยกคิดครอบภายในแยกออกอย่างนั้นด้วยการปฏิบัติต้องมีแยกมีแยะเราจะไปหน้าเดียวไม่ได้มีเด่มวหนึ่งมีทั้งสันทั้งคมทั้งข้างทั้งทั้งตายทั้งด้านใช้ได้ทั้งนั้นคือฉลาดถ้าปิติปัญญาพลิกแปลงได้ทุกแยกทุกมุมที่จะทําประโยชน์ให้แก่ตนแในทางความเพียรเอาแย่ไหลคิดไปที่อย่างสมเอาอาชีวะสกิล เลี้ยงกิจชอกไม่มีแต่ว่าไปบินสมบัติมากินเลี้ยงกิคชอบมีจิตนี่มันเสวงหาอารมณ์ตลอดเวลากระลิงกระลาหานไปยังหนึ่งเล่มไปบินสมบัติมาขันมโนสังเกตส อ, อาหารก็ได้เกิดความคิดความตุงตถึงกา ร, ระวังความคิดที่เป็นไัยมันจะเข้ามาทําลายจิตใจเป็นความคิดเป็นธรรมที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็น ยิเลี้ยงเพียงสายสมาวิมมะเพียงชอบเพียงอนไรที่ดด้ก็บอกแล้วตะกี้นี้เอาที่โกงตัวเลยก็เพียนอะไรจะตีประธานสี่นี่ยกายเวทนาจิตทำก็อยู่คำเล้าหรือเพียงละอกุศลอะไรอังรอย่างนี้ก็ว่าแล้วนะสาาวาวมาสติตั้งไว้ชอบชอบจริงก็คือตั้งไว้กับตัว เป็นกายเป็นสัมปัตยัญญะความรู้ตัวขึ้นมาสติเมื่อมีความสืบต่อกันอยู่โดยสมัครเสมอก็กายเป็นสัมปัตยัญญะขึ้นมาหน้าความระลึกแล้วระลึกเล่าระลึกอยู่ได้เรื่อยเป็นกายเป็นสติสืบต่อเนื่องกันไปก็เป็นสัมปัตยัญญาสมาสมาธิจิตรวมสงบพักสงบได้จริงจิตที่เคยคุ้งชั่นเมื่อรวมรวมเป็นความสงบ อยู่ภายในตัวแล้วเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่ออกรู้นั้นรู้นี่ไปแดนท้าแดนสวรรค์นรกไอบกีที่ไหนนั้นไม่ได้ชอบมันต้องมีมิชาสมาธิท่านที่ได้บอกว่าสัมมาสมาธิถูกกับผริบมันเป็นคู่กันนี่นมแมรแปดท่านสอนมันสอนลงที่ใจเราเนี่ยสอนที่ไหน ากันตั้งใจปฏิบัติเอาให้มันจริงจังเว่ยทำเป็นของจริงทำไมเรามาทำเล่นได้นับเอาวาันเอาคืนเอาปีเอาเดือนมาเป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้โลกนี้มันมีมืดกับแจ้งมาตลอดการถ้าควรจะเป็นมรรคผลนิพพานด้วยการดยสถานที่แล้วโลกนี้จะพ้นไปหมดนะแต่มันไม่เป็นเส้นน้ามันอยู่กับ ความภาคเพียนอยู่กับงานของเราต่างหากไม่อยู่กับปีกับเดือนกับวันกับคืนอะไรพอเราจะเป็นนาบเข้ามาบวกเป็นมรรคผลนผ่านแล้วบวกมาเท่านั้นปีท่ น, นี้ปีลราเดินอยู่กรมได้เท่า น, นั้นนาทีได้เท่ น, นี้ชั่วโมงแต่ผลไม่ปรากฏทําไมจะไม่ปรากฏสิ่งที่จะไม่ปรากฏก็คือสติเถอถ้าสติยู่ดีๆอยู่แล้วนั่นแหละมันปรากฏปรากฏยังไงปรากฏไม่เถอ ความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาถึงกิจจะไม่สงบก็ไม่บอกรกแท้ความแพร่ไปไหนเป็นความรู้สึกตัวอยู่ภายในตัวนี่ก็เป็นผลอันเป็นภาคพื้นที่ให้เป็นผลอันใดโตขึ้นมาต้องเป็นมาจากนี้ก่อนเพราะนั้นท่านเป็สอนให้รักษาเตะให้ดีรักษาใจด้วยเตะให้ดีสัญญาก็พิจรารณาแบบอันนี้จังทุกขั้งนาตามีอยู่ที่ไหนหเต็มอยู่ในคายและใจของเรานี่ เกิจะเปิดทางคือคำว่าอัตตามันปิดตาขงเราซะจะมิดมืดบอด้งหมดอะไรอะไรก็ว่าเป็นตนอะไรก็ว่าเป็นเราเป็ของเราไปหมดมันปิดตาซะตะวันน้อยดวงมันก็ไม่เห็นเพราะถูกคำว่าอัตตาความสำคัญว่าตนมาปิดบังทั้งหมดท่านจึงแยกออกด้วยอ น, นิจจังทุกขังนราตาให้เห็นชักพิจารณาอันนี้มันไม่เที่ยง น, นี้มันเป็นทุกข์ อันนี้เป็นอนัตตาถือเป็นคนมนตัวได้ที่ไหนให้แยกออกผ่านบอกนะเพื่อจะได้เบิกทางจิตใจเรารู้ได้ เ, เห็นเข้าใจเนะี่ยทำทั้งหลายเลยก็สบายสมาธิเก่ามัน ปัญญาในเบื้องต้นล้มลุกคลุกค ล, ก ล, กลกานเป็นธรรมดาแต่เมื่อฝึกหัดเข้าก็เร็วเข้าเร็วเขาเ้เขาติดต่อสืบเนื่องมันไปเรื่อยมากาเป็นอัตโนมัติไปได้ถ้ลงสติปัญญาปเป็นตัวตนำแล้ววิเลศจะลบซ่อนอยู่ไหนก็เถอะไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาไปได้เลยละเอียดแค่ไหนก็ตามมันทันได้หมดนั่นแหะเราจะเลยรู้เรื่องของจิต รู้เรื่องของธาตุของขันธ์ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างชัดแจ้งหรือหายสงสัยในเวลาที่ปัญญาออกเดินนั่นขันสมาธิก็พอทราบได้เราความสงบนี้เป็นจุดแห่งความสงบคือจิตจิตสงบอันนี้เป็นส่วนร่างกายาพอทราบแต่ไม่ชัดพอจับเงื่อนได้แต่พอถึงขั้นปัญญาแ ย, แยกแยกออกทุกเนีทุกมุมเห็นประจักษ์แล้ว หายสงสัยไปโดยลําดับรูปก็สักแต่ว่ารูปแล้วเวลาพิจารณาเขา้าจริงจริงรูปกหมายถึงการงเราทั้งทั้งท่อนนี่แหละทั้งก้อนอย่ก้อนร่างกายดูแล้วมันก็สักแต่ว่าเท่านั้นเยทนาก็เกิดขึ้นดีสุขก็สุขเกิดขึ้นก็ดับไปทุกเกิดขึ้นดับไปเฉยเฉยเกิดขึ้นดับไปทั้งทั้งส่วนร่างกายและจิตใจเพราะเวาวนาทั้งสามนี่มันเกิดได้ทั้งภายใ น, นทั้งร่างกายและจิตใจ มันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับของมันเตอนนั้นแล้วจะถือว่าเราว่าเป็นของเราได้เนี่ยสัญญาความจําแล้วเอาความจํามาเป็นตนเป็นตัวที่ไหนได้เนีจําแล้วก็ลืมลืมแล้วก็จําจําแล้วก็ลืมมันอยู่อย่างนั้นตั้งแต่วันเกิดมาจนมาัางึงตอนนี้ต้องเดินแบบนี้แบบจําแล้วลืมลืมแล้วจำมันอยู่นี่ระวัง <ừ. S 1> ทั้งคานความคิดความปรุงมันอยู่เฉยได้มาลายใจแล้วกําหนด ดูด้วยความมีสติมันจะผักดันออกมาให้เราคิดมีลักษณะอะไรแต่แปลกให้เราคิดฮ้อนตอนนั้นถูกปิดไว้มันออกมาไม่ได้ปิดไว้ด้วยสติมันจะเป็นลักษณะผักดันออกมาให้เรารู้เพราะมันแยบสติก็ทันด้วยไม่มันตึงอะความรุงนี่แหละเป็นตัวก่อเหตุเป็นต้นพันธ์ทั้งขานทั้งขานก็ทราบแล้วว่าคือความปรุ ง, ห ง, งหรแห่ยิต นิจยานก็คือความรับทราบในเวลาสิ่งภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับอายุนาภายนัยเปนรูปมาเกี่ยวข้องกับตาเสียงเกี่ยวข้องกับหูนันก็มีความรู้ในขณะที่สิ่งนั้นเราสัมผัสและดับไปในขณะที่สิ่งสัมผัสนั้นผ่านไปความรู้นี้ปรากฏตัวขึ้นมาในขณะที่สัมผัสเท่านั้นเกิดดับเกิดดับเท่นเดียวกันหรือเรียกมันที่เรียวกว่าไอ้จังสุขังหน้าตาแน่ จิตจริงๆไม่ดาบรู้อยู่ตามธรรมชาติธรรมชาติของตนมีอะไรมาสัมผัมสมาตัดก็รู้อยู่อย่างนั้นนี่คือจิตแต่จิตเมื่อมันยังมีอะไรแทรกอยู่นั้นมันก็ยังเป็นไตรลักษณอยู่เหมือนกันรูปเวทนาสัญญาสังข า, ารมีญาณเป็นไตรลักษณแล้วใจก็ยังต้องเป็นไตรลักษณ์พร้อมมีส่วนสมมุติอยู่ภายในหรืนอเิเลรตันละเอียดแทรกอยู่ภายในใจิตใจท่านจะต้องสอนให้พิจารณา จนก็ตั่งถึงใจเพียงขนาดในขั้นนี้เราก็ทราบท่านแล้วว่าขันทั้งห้าเป็นอันหนึ่งต่างหาจากใจรู้ได้อย่างแท้ทัศมันถึงขั้นเก้าเก้าความความเข้าใจเรื่องถาตเรื่องขันกับใจว่าต่างกันอย่างไรบ้างพอแยกแยะอวิชชาซึ่งมันกลมกลืนกันกับใจออกได้แล้วด้วยปัญญาปนมุมากทีนี้ก็กระจ่างเลยยอ หมดนี่คือกองสมมุติแหน่รู้แล้วกองสมมุติก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวอย่างนี้่เลยคือกองสมมุติยึดที่หลุดพ้นแล้วจากความสมมุติจากความยึดมั่นถือมั่นในขันและในสิ่งทั้งปวงนี้คือบิดมุดหนักจริอ๋อความหลุดพ้นหลุดที่ตรงนี้เองไม่ได้หลุดที่ไหนหลุดที่มันผูกพันกันอยู่เลย แก้ความบุคคลออกได้แล้วมันก็หมดเป็นอิสระภาในจิตใจนี่หลายร้อยตัเศษิตอ้าวล่างกายมันจะเจ็บจะปวดจะไข้จะเป็นอะไรรู้กันดูตามหลักธรรมชาติทั้งมันแต่ไม่ทําจิตใจให้กับเพื่อมผุ่น ม, มัวเพราะทุกเวทนามากน้อยที่เกิดขึ้นภายในขันเนื่องจากจิตนั้นหมดแล้วซึ่งเวทนาทั้งหลายนาพุธีนาบเมื่อบรรลุถึงทำขั้นสูงสุดแล้วไม่มีเวทนาทางใจอ้าวใครจะว่ามีก็ว่าสิ เวทนาทางใจใหม่ใจนั้นเป็นมิมุติแล้วสมมุติคือทุกทุกทุกเฉยเฉยจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้หอาประมังสุขขังนั้นหมายถึงสุขในหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ต่างหนาไม่ได้เป็นสุขเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนานี้มีอยู่ภายในกายเท่านั้นเห็นอยู่เฉยเฉยไม่เจ็บไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งหมอุเบกขาเวทนา มีความทุกข์กายแล้เรียกว่าทุกขเวทนามีความสุขกายก็เรียกว่าสุขเวทนามีเท่านี้เวทนาทั้งสามอยู่กับพาตุเท่านั้นแหละอยู่กับรูปกายไม่มีทางที่จะเข้าไปแทรกใส่ได้อการเจ็บไข้ได้ป่วยทุกทรมานมากเพียงไร ก็ทราบได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้เพียบเต็มที่แต่ไม่มีคาว่าจิตนี้เพียบเต็มที่เพราะจิตได้พ้นแล้วจากความกดทวงความเกี่ยวข้องในสมมุติคือส่วนร่างกายเป็นแต่เพียงวา่าผิดชอบคนอยู่เท่านั้นเองโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น พอรู้ตามความจริงรับผิดชอบก็รับผิดชอบตามความจริงไปธรรมดาไม่ได้เป็นรับผิดชอบด้วยอุปาทานยึดยมั่นถือมั่นด้วยเหตุ น, นั้นพระกินาตตกจริงท่านจึงไม่มีทุกเวทนาดังที่พระพุทธเจ้าท่านสเสด็จจะไปปรินิพานที่กุสินาลาหมอกพระองค์นับสั่งพรอ น, อนอนุนปูราดทั้งขาลงนี้หน่อยเลาทาก้นเหนื่อยกาจะพัก ทำมัฏฐะกนเหนื่อยนี่หมายถึงพระสารีระสั่งหาไม่ได้หมายถึงพระจิตของพระพุทธเจ้าทรงหน่วยมีจึงมีข้อที่จะแทรกเยอะทําให้คนเขา้าใจผิดเยอะหลวพระพุทธเจ้าก็ยกยอมรับสวยทุกเวทน า, นาทำไมเสวยทำไมพระองค์ยิง่งจะว่าอ น, นุนัตนาสังคาติเราจะ พักผ่อนร่างกายเราเพียมากน้ำต่างน้ามายังดื่มน้นไม้เพิ่งมาขันมันเพียมากขันมันต้องการน้ำภาษาคตอันแท้จริงคือบริสุทธิ์เป็นผู้พอแล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีความต้องการตับสุดใดทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเป็นความรับทาบอยู่เท่านั้น ไม่มีทุกเวทนาตัวใดที่จะเข้าไปเหยียบย่ทำทําลายท่าจิตของพระองค์ได้แล้วแต่ว่าพระองค์เสวยทุกเวทนาได้อย่างไรหากว่าพระุทธเจ้าและสาวองยังมาเสวยทุกเวทนาในส่วนธาตุขันอยู่แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปกกับพวกเรานิเศษที่ตรงไหนนั่นเวามวิเศษก็คือเหนืออยู่เหนือขันธ์แม้จะอยู่ในขันธ์ก็เหนือขันธ์ไม่ติดไม่ติดด้วยหลักธรรมชาติไม่ใช่ไม่ติดด้วยการบังคับเมื่อถึงขั้นถอดถอนแล้วเป็น ขั้นสิ่งสมบูรณ์แล้วเป็นตามหลักธรรมชาติของอีกจากนั้นแล้วเข้าใจอย่างนี้พระพิณาศกไม่มีองค์ใดคําขึ้นชื่อว่าพระพิณาศกแล้วจะเป็นผู้มารับส่วเวทนาซึ่งเป็นเรื่องโลกโลกนี้กายเพียก็บอกว่าเพียเดินไม่ได้ก็บอกว่าไปไม่ได้เพราะมันหมดกาลังมันไปไม่ได้อืมรอย่างนีมันเรื่องของขันเพียก็บอกว่าเพีย ทุกเขบอกว่าทุกเพียเขาบอกว่าเพียหิวก็บอกว่าหิวกะหายเขบอกว่ากระหายมันเป็นเรื่องของขันทางนั้นเพราะสิ่งนี้ธรรมชาตินี้มีความบกพ ร, ร่องตลอดเวลาต้องการความเยียวยาความส่งเสริมบำรุงสังกิตที่ถึงความพอแล้วไม่มีเรื่องเห น, งนี้่ังนั้นจะเรียวกว่า บ, บริสุทธิ์ได้ยังไงแล้ว น, นั้นจะเพิ่มก็ได้แต่อันนี้ออกกันได้มันก็เป็นเรื่องของโรคธรรมธรรมดาธรรมดานี่คือเรื่องอันตรายทางร่างกายเอง ไม่เรียกว่าพอไม่เรียกว่าคงเส้นคงวาจิตวิสุทธิ์ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทราบทัดว่าไม่มีเงื่อนสืบต่อกับสิ่งใดบรนดาสมมุติไม่ว่าจะละเอียดแค่ไหนไม่มีอะไรที่เข้าไปสืบต่อกับผืดได้เลยขาดว่าขาดตอนเรียกว่าตัดสะพานกันระหว่างสมมติกับวิมุตตตั้งแต่ขนาดที่แต่สรู้หรือบังรู้ทำแล้วโดยเด็ดขาด นับแต่ขณะนั้นไปเป็นอันว่าขาดกันแล้วก็สมมติถ้าจะว่ารับทราบความอยู่รึรับผิดชอบกันเท่า น, นั้นก็นอยู่เพียงเท่า น, นั้นนี่มีเรื่องของพระพุทธเจ้าและมงสาวกท่านทำงานท่านถึงเป็นอย่างนั้นหรือยู่ๆท่านก็ได้อะไรเฉยไม่ต้องทําความภาพความเพียรหรือที้เกียจท่านก็ได้ อ่อนแอก็ได้เสอะๆชะงูๆเขาๆก็ได้เรยถ้าได้จะมาสอนพวกเราให้ฉลาดยังไงจะสอนคนให้มีความขยันหมั่นเพียรได้ยังไงจะสอนคนให้มีความเข้มแข็งยังก็ต้องบอกว่าอ่อนแอก็ได้อ้าวแล้วนอนทั้งวันก็นอนอืมนอนจนหมอนแตกก็ได้ก็ได้มาคุณนี้่พังมันเป็นงั้นจริงๆเรียนเรต้องสอนอย่างั้นไม่สอน ให้ฝึกลนระมาดตุยให้อดให้คนสอนอย่างนั้นหน่อนี่ยิ่งเล่มันกลัวทําแบบนี้คนที่มีความอุตสาหพยายคนมีความอดความทนคนมีสติปัญญาที่งเล่กลัวนี่เเล่ยกลัวแต่ทำเท่านั้นไม่ได้กลัวอะไรนอกเหนือไปจากทำอย่อกนั้นยิ่งเล่เหยียบแหลกหมดถ้าเป็นธรรมยิ่เด็ดกลัวเฉพาะอย่างยิ่งสติปัญญาที่เด็ดกลัวมาก มีความภาคเพียรเป็นเครื่องหนุนแล้วนั่นแหะที่เลวกลัวสมาธิฏฐิสมมาสังก ป, ปรเป็นสําคัญกับสัมมาสติเป็นสําคัญมากเลยเดียวในการแกกิเลสปัญหาสะทุกประเภทไม่นอกเหนือไปจากเครื่องมือเหล่านี้เลยนี่แหละที่นี่อกมัชชิมาทันสมัยกิเลสจะเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลก็าตามเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้ก็ตามเป็นกิเลสประเภทเดียวกันมัชชิมาปฏิบัติมีสมาทิฏฐิเป็นต้น สามารถที่จะตัดขาดในกิเลสทุกประเภทได้เช่นเดียวกับครัง้งกุศลกิเลจึงเรียกว่ามัชชิมาเหมาะสมตลอดเวลาในการแร ก, รก้ริดกอถอนกิเลสอย่าเลี้ยวแหลมไปไหนศาสนาถ้าไมเลี้ยวแหลมอยู่กับบุคคลผู้ขี้เกียจผู้อ่อนแอเท่านั้นความขี้เกียจของอ่อนแอจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่เรื่องใดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมไม่ใช่เรื่องของธรรม ถ้าหนุ่มทำแล้วต้องฝึกต้องเข้มแข็งต้องอุตสาห์ต้องพยายามต้องฝืนกันเรียกว่าต่อสู้กันการคล้อยตามการยอมตามกิเลสนี้ไม่ไม่ใช่เป็นการต่อสู้กิเลยเป็นการยอมจำนนมาการต่อสู้มันต้องฝืนกันด้วยมันขี้เกียจแล้วก็พยายามขยันว่างไงทุกข์ก็ยอมทนก็ทนเอามั่งดิการทํางานใครจะไม่ทุกข์ผู้ได้เา้าทรงสลบถึงสามหนี่ ในาพระประวัติซึงอย่างนั้นทุกจะไม่ทุ ก, ๆๆทกขนาดสลบถึงสามหมอนอะพระองค์ฝ่าเท้าแตกพระองค์จักรสุแตกท่านสมวดปวดขันในความภาคความเพียรดูสิแล้วพีเดชเขแตกไปด้วยอีกเหมือนกันนะเ่พระองค์สลบทรึงสามหมนไม่ตายแต่พี่เดชตายเนี่ยเพราะความเพียรไม่ถอยอพระจักสุบานจักสุแตกเพราะไม่นอนถึงสามเดือนเร่งความภาคความเพียรอย่างเต็มที่ไม่นอนสามเดือน พอพอตาแตกที่เลดก็แตกนั่นอือถ้าโสนะท่านประกอบความเพียรฝ่าเท้าแตกที่เลดก็แตกตายไปเลยฝ่าเท้าเพียงแตกเพราะนั้นเกี่ยวที่เลดตายน่ะความเพียรนั้นท่านดึ่งนี้นดูสิพวกเรามีใครบ้างฝ่าเท้าแตกมีไหมนอกจากหัวแตกหัวแตกเพราถูกที่เลดตีเอาตีเอ า, เ อ, าอันนั้นมีเยอะ มีแต่ผ้าหัวแตกนะเพราะถูกค้อยิ่เลืความขี้เกียจที่ท้านความอ่อนแอความไม่คิดไม่อ่านเป็นเรื่องความซื่อสัตย์ที่เดลืตีเอาตีเอาตีเอามีแต่ผ้าหัวแตกที่เหลือทีไ่ได้แตกเอ า, เเอาที่เอาที่เดลืแตกมั้งดิไปไหนอเอาเงิ น, นเราเป็นคนตั้งคนทําไมจะ ทำไม่ได้สาธาระธรรมเป็นธรรมที่เหมาะสมกับเราทุกคนสอนก็มาเพื่อผลทําไมเราจได้แต่โมฆะอุบอโมฆะตรีให้เกิดประโยชน์อะเกิดมาหนักโลกเฉยๆหนักตัวเรานั่นแหละถ้ากิเลสเมีองมากมันหนักมันอ่อนไปหมดร่างกายพอดีกระดูกแข็งแข็งมันก็อ่อนไปหมดถ้ากิเลส ม, มากมากอ่อนเกียบ้งหมดไม่มีความเุ้มครอง ถึงคั้งตึงตังอะไรเลย น, นี้พุทธงสังฆาฉามีพระองค์ทรงดำเนินอย่างไงนะถือพระองค์เป็นหลักยึดตะเป็นปตับายแล้วยังต้องถือปฏิปทาอีกด้วยเครื่องดำเนินพระองค์ดำเนินอย่างไงสังคังสังฆาฉามีท่านดำเนินยังไงประสงค์สามโกท่านปฏิบัติตัวอย่างไรจรึงปรากฏทำขึ้นมาให้เราทําำสังฆาถานี้ได้ทําเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความที่เสียจที่ข้างความอ่อนแอ เกิดขึ้นเพราความผยนตหมั่นเพียรนักเอาเบาสู้เกิดขึ้นจากความเป็นนักรบม่ใช่เกิดขึ้นจากความแพ้เรื่อน่ะ <c oughs> ใครจะทรงมากส่งผลถ้าเราไม่สง่งหราจะฟังแต่ข่าวมรรคผลที่พันขท่านเหรอ